ถ้าธรรมะเม อ, ตอตนาของข้าหลวงตาหลวกักทีนานี่ตอนดีก็เอาไม่ดีก็กอตอนที่สองครับหลวงตาท่านเจ้าขอขอถามอีกก็คือวิธีปฏิบัติไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าก็คือหลังจากที่ผมจับเอาว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธแล้วเนี่ยผมก็พุโทโธทั้งวันน่ะ ทำอะไรก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธครนี้ล้างจานไปก็พุโทโธอกวาดบ้านไปก็พุโทโธแล้วก็เดินไปไหนไปไหนก็พุโทโธเฮ้แล้วทําไมทําไมคําว่าพุโทโธจึงทําควบไปกับเอการเดินตรงนั้นได้ไปไปไหนก็ได้ผมก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะมันมันพุโทโธจะปากหรือเปล่าเนี่ยดูทีวีอดูละครผมก็พุโทโธได้ แต่อย่างเนี้ยมันถูกไหมครับเพราะว่าพุโทโธพุธโทโธพูธโทโธมันได้จากปากหรือเปล่าแล้วก็ใจผมก็ดูดีละครได้มือผมขัดอะไรผมทําอะไรผมก็ทําได้อย่างเนี้ยผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับมันยังไม่สงบนะใจข้างนั้นยังวอกแวกพูโทโธแต่ใจมันวอกแวกมันพุดโธแต่ปากมันยังไม่ถึงใจ ใจมันวอกแวกใจมันหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมันเสียบมัอย่างเงี้ยมันวอกแวกวอกแวกตลอดจิตมันไม่เป็นหนึ่งนะพุทโธ่ไม่เป็นหนึ่งกับใจใจไม่เป็นหนึ่งกับพุทโธ่เราก็ได้แต่พุทโธ่พุทโธ่โทรไปแต่มันจิตมันจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เป็นหนึ่งไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มุ่งมั่นก็ก็แสดงว่าถ้าจะท่องพุทโธมือต้องหยุดทําอะไรใช่ไหมครับไม่ก็ทำได้แต่ใจต้องมุ่งมั่นใจต้องเด็ดเดี่ยว ใจต้องเด็ดเดียวพุทโธพุทโธพุทโธใจที่เด็ดเดียวอ้ใจจิตใจมันเป็นหนึ่งเดียวกับพุทโธพุทโธเป็นหนึ่งเดียวกับสิตเห็นบอกแฝกไปบอกแฝกมาบอกแวกออกไปกบอกแฝกออกแฝกใจของเราเห็นบอกแฝกเป็นหนึ่งเดียวกับพุทโธอืมคือคือพอผมเกิดอาการหยึดฝังเติลังเลสงสัอย่างนี้นะครับผมก็เลยทําว่าอเวลาเดินไปผมก็เลิกพุทโธเพราะกำหนดดูแต่ว่าเดินไปยังงไยังไงยังไง เ, เวลาจะจะขุดดินผมก็ขุดไปขุดขุดขุดขุดไปเลิกพุดโธแต่พอมานั่งพักเลิกขุดดินมานั่งพักปุ๊บผมก็จะพุดโธพูดโธพูดโธอย่างเงี้ยผมทําทีหลายอย่างไม่ทำนะไม่พุดโธตลอดทําอะไรก็พุดโธตลอดจะริพูดโทรโอ้เมมจิตนันไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวก็ทีอ่ะทําทำจ<อ>ุดจุดจุดจุดทําำอย่างเงี้ยนะครับไม่ถูก ก็เหมือนว่าผมกำลังขุดดินโปุ๊กปุกไปเนี่ยผมก็พูดโธรไปด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่จะทําอะไรก็พูดโธไปด้วยยกเว้นแต่เราไปไปขับรถแล้ว เ, เรายังไม่ทํานานหรือว่าเราไปอยู่กับไอ้เครื่องจักรที่มันอันตรายเช่นเอามือซ้อนพวกของมีคมเข้าไปในของมีคมอะ่ะไปตัดไม้ใน เ, เครื่องเลื่อยจักรอะไรเงี้ยเราก็าอย่าพุโทโธรตอนนั้นเดี๋ยวจิตมันไปรวมเข้าพอจิตไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพโทรมันจะไม่ใครรู้สึกตัวมันจะเข้าไปอยู่ในจะเงียบไปอยู่ในภายในสว่างอยู่แต่ข้างใน เราไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็อาจจะลายแต่ถ้าเราไม่ไปอยู่กับเครื่องจักรที่มีคมไม่ไปอยู่กับข้อป้อนในกระดาษก็ไปในเครื่องอะไรในในเครื่องรีดกระดาษอ่ะในเครื่องพิมพ์บางคนเอามือต่อเข้าไปในนั้นแล้วมันมันมันรีดเข้าไปเลยหรือว่าขี่รถอยู่เนี่ยขับรถอยู่แล้วก็เราสบายผู้ทุกโศกจิตมันรวมไปมันจะไปสว่างเจจ้าอยู่แต่ข้างในมันอะไรไม่รู้ว่าข้างนอกมันไม่รู้โศกกำลังทำอะไรอยู่อาจะอ่านจะลายแต่ถ้าอยู่ในปกติแล้วปกติมันไม่ตลอดแล้ว แม้แม้แต่เคลื่อนไหวกิริยาอาการทุกอย่างก็พุโทโธไปตลอดทำตลอดเลยเข้าขงหน้าเมื่อเพื่อนเดินกินเดินทางไปไหนหมาไหนพุโทโธตลอดเดี๋ยวเว้นเดี๋ยวเว้นวักใพุทโธไว้ในใจจนกระทั่งจิตใจมันเวลาเวลาภาวนาพุโทโธพุโทโธให้จิตใจมันแน่วนแน่มั่นคงมากเลยให้มันรู้ตัวอยู่ว่ากำลังบริกรม ร, ก ร, ร, กรมพุโทโธอยู่กําลังบริกรรมพุทโธอยู่ท่านว่าความที่มีสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสติแต่ปัญญาคือมีความระลึก รู้แล้วก็รู้ตัวตลอดเวลาว่ากาลังบริการพุทโธอยู่เนี่ยความรู้เนี่ยความรู้ึกตัวเนี่ยมันมีความรู้ชัดมากเลยฉันบอกว่าเรียบเหมือนกับว่าเราบริการพุทโธเนี่ยความรู้ที่เราเนี่ยความรู้ตัวที่กาลังบริการพุทโธเหมือนกับว่ามีคนร้ายเนี่ยถือมีดปลายแหลมเนี่ยจะมาแทงเราขณะที่เราบริการพุทโพุทโธเนี่ยจิตใจมันแน่วแน่มีความรู้สึกตัวว่ากำลังบริการพุทโธอยู่เนี่ยเหมือนกับเรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังบริการพุทโธอยู่คือ เหมือนกับรู้ว่าคนร้ายเนี่ยกําลังจะมีดปลายแหลมเนี่ยมาแทงเราเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวแน่วแน่มากเลยที่ไปมีดของคนร้ายว่าถ้าคนร้ายแทงเมื่อเมื่อไรเนี่ยรับรองเราหลบทันความรู้สึกตัวแน่วแน่เนี่ยในขณะที่เราบริกรรมเนี่ยเหมือนกับเราเห็นคนร้ายกําลังจะมีดปลายแหลมแทงเรา เรามีความมั่นใจมากตลอดเวลาเลยตาเราเนี่ยมองที่นี่แล้วเราก็มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าแทงเราไม่ถูกรับรองถ้าแทงมาเม่อไหร่เราหลบได้ท่านกล่าวว่าถ้าเราจะบริกรรมเราจะเราจะบริกรรมเนี่ยหรือเราจะปฏิบัติยกมืออย่างพิบูล ก, การยกมืออยู่อย่างเนี้ยจิตใจต้องมีความแน่วแน่มากเลยว่ามีความรู้ตัวตลอดเวลาในกับสิ่งที่ท่านกำลังทาอยู่เหมือนกับท่านรู้ตัวว่ามีคนจะเอามีดมาแทงท่าน แล้วท่านมีความรู้ตัวตลอดเวลาวัานี้เรารู้ตัวแลอดเวลาใจมันจุดจออยู่ตรงที่มีดเนี่ยจุดจอดอยู่ตรงมีดเน้่ย่ะกับมือที่เขาถือมีดอยู่เนี่ยกับคนร้ายที่กําลังเอามีดมาจะมาแทงเราเนี่ยคือมันรู้ทั้งมีดทั้งมือที่เขาจับมีดอยู่แล้วสักตัวคนจะมาแทงเราอ่ะถ้าเขาเคลื่อนไหวเมื่อไรเนี่ยเราหลงทัางถ้าใจครับแต่ถ้าเราปฏิบัติไปอ่ะแล้วยกมือกับยกมือไปบวนากับบวนาไปเดินชงมกับเดินไป เลื่อนลอยแบบเนี้ถ้าไม่อยากทำดีกว่าทําแบบนี้มันไม่ได้อะไรเลยมันเสียกําลังเสียกําลังใจท ำ, ลททททำลทแล้วท้สๆถอยๆทาแล้วก็ท้อแท้ก็ไม่ได้อะไรแต่ที่จริงเนี่ยไม่ได้อะไรเพราะว่าจิตใจเราไม่ได้มุ่งมัน่นไม่ได้จดจอ่อไม่ได้สอนเนื่องเหมือนแบบคน้ายแทงเนี่ยตายเปล่าอย่างเงี้ยโอ้พระจิตใจมันไม่ได้มุ่ง ม, มั่นจดจอ่อสอนเนื่องอยู่กับไอ้คนที่จะมดมาแทงเราอีกคําถามนะครับอาารครับก็คือผมเนี่ย เวลานอนเนี unu, witch, ่ยวันใดที่นอนไม่หล like ับเนี่ยพอนอนไม่ค่อยจะหลับคือมักจะเลยสี่ทุ่มไปแล้วก็จะไม่หลับพอไม่หลับปุ๊บนี่ผมก็จะปล่อกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันจะแวบออกไปรู้เรื่องอื่นอีกคิดเรื่องอื่นอีกแล้วก็ลุกแล้วก็ลุกกลับมาว่าเอ้าไปคิดอย่างอื่นแล้วนะแล้วกลับมาพุทโธอีกพุทโธอีกพุทโธอีกพุทโธอีกพอพุทโธได้อีกระยะหนึ่งก็มันก็แวบออกไปอีก ยื้อก็อยู่อย่างเงี้ยครับยื้อไปยื้อมาอยู่อย่างเงี้ยเวบไปเวบมาเวบไปมาก็เลยไม่หลับเลยไม่ไม่หลับเลยพอไม่หลับปุ๊บผมก็ใช้วิธีว่าโอ้ยเลกบริกรรมแล้วไม่บริกรรมแล้วนอนเฉยเฉยมันดึกมากมั้งครับมันก็เลยหลับอ า, อาการอย่างเงี้ยมันยังไงครับมันทําให้ันเราไปรักบริการมบริกรรมแล้ ว, ล ว, ลวเราเราจะนอนพิเรนมันหลอกเราหมด เราจะหลับหรือไม่หลับแต่ความจริงร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรานี่มันหลับแต่จิตผู้รู้มันไม่หลับเราต้องกังวลว่าละจิตผู้รู้เนี่ยมันจะหลับเพราะธรรมชาติของจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่เคยหลับเลยเพราะว่าจิตผู้รู้มันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิชาเป็นธรรมชาติที่ไมนดีตัวตนในรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันเลยไม่มีหลับนั้นภายในของท่านน่ยไม่หลับเลยอรหันเนี่ยภายในของท่านน่ยไม่หลับเลยมีความตื่นรู้อยู่ทุกขณะปัจจุบัน ท่านนอนอยู่แต่ภายในของท่านมันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยหลับเลยท่านมันเหมือนกับนอนไม่หลับตลอดเวลาอย่างหลวงปู่พาเราเนีนอนแล้วก็ท่านบอกไม่เคยหลับเมื่อก่อนนี่ยังหลับบ้างสี่ทุ่ต่อปลาเที่ยงคืนต่อปลาตีสี่ต่อมาตีห้าต่อมาถึงสว่างก็ไม่เคยหลับเลยตลอดท่านพูดแต่ไม่เคยหลับไม่เคยหลับแต่ผู้ที่เฝ้าท่านเนี่ยก็อบอกว่าท่านนอนหลับ ร่างกายท่านนอนโกนตามปกติแต่ท่านก็พูดอูเลยท่านนอนไม่หลับไม่หลับแต่พอทีดข้างในท่านไม่เคยหลับเลยแต่ข้างนอกกายท่านนอนหลับเราจะไปสนใจว่าปล่อยให้ข้างในมันหลับถ้าเราสนใจเราไปทำพยายามทำให้ข้างในมันหลับหรือทําให้ความรู้สึกตัวมันหลับเราทิ้งคำบริกรรมพุทโธไปเพื่อเราต้องการจะหลับเราไม่อยากให้มันรู้สึกตัวให้มันใค่มันรู้อยู่เราเลยทิ้งความรู้หรือความรู้สึกตัวไปทิ้งคำบริกรรมพุทโธไปมันก็เลยขาดสติขาดเลิ่มไเลยหลับไปเราหลับไปด้วยความขาด กลับหลับไปด้วยความมีสติมันดีกว่าว่าเราจะตายเนี่ยเราต้องตายในขณะที่เรามีสติไม่ใช่เราตายในขณะที่เราสติขาดถ้าเราตายในขณะสติขาดเนี่ยพวกมารทั้งหลายและบาป ก, กรรมใดๆที่หลายที่เราไปทําไว้มันจะมาหลอกลราให้เป็นลูกนั้นลูกนีนในกนนนนก้ให้เราเพ้อในสุดได้มันก็สร้างมโนภาพมาหลอกเราให้เราเพ้อกลัวหนีเอามือจับมือจับกายขับไล่เราะไปไปไปไปในสุ ด, สดนั่นจะจริงเหรอแตมันเป็นเพ้อเป็นแบบนั้นเราได้ตายไปก็ไปเป็นแบบนั้นเลย เราต้องฝึกใครมันหลับไปด้วยความมีสติตายไปก็ขนาดตายก็ให้ตายด้วยความมีสติไม่ใช่เราทิ้งสติที่มันรู้อยู่กับคำบริการพุทโธเราทิ้งมันไปเถอะมันรู้สึตัวอยู่ตลอดเวลาว่าบริการพุทโธอยู่มันจะหลับไปหลับไปจนไม่สนใจหลับแต่ร่างกายเราเนี่ยมันหลับใครเห็นมันหลับแต่เราเนี่ยภายในเท่านั้นเนี่ยที่มันมีความรู้สึกว่าไม่หลับเราังไปสนใจมันใช่ไหมครับแต่มันมีบางครั้งนะครับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันหลับ ไปเลยลืมไปเลยตื่นนิทีหนู่ 2, 3, น่นอ่ะดีสองดีสามโน่นอย่างนั้นก็จะดีใจว่าโอ้บริกรรมพู้ตัวแล้วจนหลับอย่างนี้ผิดใช่ไหมครับไม่เป็นไรรับทคานั้นเราไม่ไดทิ้งเราไม่ได้ทิ้ ง, งตั้งใจมีเจตนา จ, จะทิ้งการ บ, บริกรรมทิ้งสติความรู้สตัวไปเราบริกรรมไปนเรื่องความสติรูดด้สึกตัวไปมันจะหลับได้หลับปมปพอดเนื้อไม่เกี่ยวมันจะเป็นสนใจมันอ๋อคนาะ เราไม่ทิ้งกรรมวิกรมมรมพุทโธไม่ทิ้งสติธรรปันญ า, าที่มีความรู้สึกตัวอยู่ว่ากำลังบริกรรมเนี่ยเราไม่ทิ้งไปมันจะหลับหรือไม่หลับก็เช่นกันเนอะถ้ามันหลับไปเมื่อไหร่มันตื่นมาเราก็บริกรรมเลยคนรู้สึกตัวก็บริกรรมด้วยความรู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ตายไม่ลืมก็บริกรรมเลยนะัเป็นค้อนเคยกินไว้เข้าใจแล้วครับนะมันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะ เราให้เขาบริการมพุทโธพุทโธก็แต่เขาบอกว่ามันสั้นไปใจไม่่อยอยู่ไม่ค่อยชอบเอาเอาสวดมนต์ได้ไหมเราก็ให้บทดด้วยบทนี้เขาก็ไม่ค่อยชอบเลยเขาไปชอบบทอิปปิโสพระกวาสวากาโตสุปฏิกันโนบทบทพุทคุณธรรมคุณทศสังคุลเนี่ยเขาชอบบทนี้คือเขาศรัทธาในพระพุทธพระธรรระสงค์เอาเขาชอบบทนี้เอาให้ต้องให้วบทนี้แล้วก็สวดอิปปิโสพระกวาสวากาโตสุปฏิกันโนเนี่ย ตรวดเต็มบทเลยทก่คุณทำบุญทำกุศลตรวจเต็มบทจบแล้วก็สรวจอีกจบแล้วก็ตวจอีกจบแล้วก็สรวจอีกจบแล้วก็ตวจอีกเขาก็ไม่รู้ไม่สนใจแล้วราะว่ามันมันจีรพ่อทางานอะไรก็ไม่ใใ ว, ว่าเขาจะทํางานอะไรข้างในใจเขาแอบตรวจอยู่ตลอดเวลาแต่แบบเอบิญ เ, เนี่ยเหตุที่เขาจะขอเข้าตรวจเนี่ยเขาแรกเขาไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติเขามาขอปฏิบัติเนี่ยขนนขาาขนเนยขาไม่ได้ตั้งใจจะพ้นทุกข์อะไรหรอกมีหมอดูไปทายเขาหมอดูไปทายว่า เขาจะเกิดอุบัติเหตุเพลิพลิอย่างรงุนแรงจนแขนเขาเนี่ยได้รับการพิการเขากลัวแขนเขาทํางานไม่ได้เขาจะถูกไล่ออกเขากลัวตรงนี้เนี่ยเขาเลยมามาขอปฏิบัติเลยขอปฏิบัติแล้วก็ขอคาถาที่มันนะ่ะคุ้มครองปลอดภัยแล้วก็โชกโทกอย่างเดียวว่ามันไม่ค่อยอยู่ใจไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวมันคุ้มครองไม่ได้เขากลัวมากก็ลเลยให้เขาก็เลยขอคาถาเอาไปคาถาไปให้บทตัวบทนี้ก็ไม่เขาก็ไม่คยชอบ เอาที่เนียพุทธคุณทำบุคุณมาสัคุณก็ถือว่าเราคุ้มครองได้ดีที่สุดเขาบอกว่าเราว่าเป็นกระสามนที่เป็นมนุ์พระเจ้าเนี่ยอันนี้มนที่บูชาเพราะพุทธคุณทำมาสังคุณทาบุคุณมาสังคุณเนี่ยเนี้เทวดาษก็ชอบมันหมดเนี่ยเขาก็เลยชอบเราก็ก็บจบแล้วก็ตรวจที่จบแล้วก็ตรวจอีกแต่เขาไม่ขับรถเลยตั้งแต่นั้นเพราะว่าหมอดูทายเขาไม่ไว้จะเกิดอุบัติเหตุเขาเดินทางจะกลับจากทางจังหวัดไปเข้ากรุงเทพเขาต้องเดินทางจากกรุงเทพแต่จังหวัดแต่จังหวัดกรุงเทพเนี่ยเป็นประจํา เขาก็เลยขึ้นรถไฟแทนเขาไม่ยอมขับรถเขาขึ้นรถไฟพอขึ้นรถไฟแล้วเขาก็เชิญนักเตือพิมมาเล่มหนึ่งมาบางมาบางหน้าไว้เพราะว่าไอ้ไอ้ขีรถไฟม่านหน้าชนกันอ่ะผานห้าก็หากันเขาอายอายคนอื่นเขาังรวมนเขาเขาไม่เขาไม <femme> ่อายคนอื่นเพาก็าเลยเชนักเตอพิมมาบางหน้าไว้พอขึ้นรถไฟก็เชิญนักเตอพิมมาบางหน้าไว้แล้วก็สวดไปจีจีพีโตพระกะวาตบก็ตสุปัจจันโนเนี่ยตวจพุทธคุณตามปคุมั้งสองคุณน่ยเต็มบดจนจบ แล้วก็เสร็จอีกับแล้วกคตัวจอีกจบแล้วอีกไม่ไม่ได้นับ้วา่าจีจบอะคือขอให้มันจบลวตรวจจบแล้วตรวจจบลวตรวจกลัวมากเลยกลัวถ้าเขาเบี่ยง้เมื่อไหร่เดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุเชื่อหอดูมากเลยสุดดีกันนะไอความที่งมงายไปเชื่อหมอดูไม่ดีแต่ที่หมอดูทายไว้เงี้ยมันเลย่มาปฏิบัติกันดีหมือนกันเราก็เลยตัวจตรวตวตวตวจ่ีเดือวแล้วก็จำไม่ได้เขาก็โทรศับมาว่า ไม่นอนเลยมันมันไม่ได้หลับให้นอนเลยถึง4ีเท่าไหรมกู้ ก, ก็ไม่นอนคืออยู่ๆเนี่ยเขาอยากจะหลับแต่เขาแบบเหมือนกับมีสองตัวมีคนสองล่างไอ้ล่างนึงก็รวดมนต์ไม่ยอมเลิกอีกล่างนึงก็จะนอนก็บอกว่ามึงหยุดสวดสักทีให้นอนสักทีกูจะหลับมันก็ไม่ยอมหลับมันองยอมเลิกสิดมนต์เพราะก็สวดอยู่แน่แนะ ไอ้ลาีิก็บอกว่ามนจะหลับเรื่องทวนทุ่นที่เถียงอยู่นด้นแหละมันก็ยอมไอ้ลาสิกตวจมันตรวจมันีย่แ้วมันตรวจจนจิตมันตรวจเองแล้วมันิตจิตมันตรวจเองอยากจะหลับจิตมันก็ไม่ยอมเลิกตรวจมนเาก็หนักหนักเข้าเนี่ยเราบอกไม่เป็นไรแล้วตรวไปเถอะเวลาไม่หลับก็ตรวจไปเขาก็หนักหนักเข้าบอกไม่ได้นอนเลยทีนี้เพราะว่าไอ เหมือนกายเขามีสองตนเนี่ยแล้วก็นอนคู่กับคนที่สวดมนต์ไม่ไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วมันจะหลับได้ยังไงไอ้ไอ้นั่นสวดมนต์ไม่เลิกเลยอ่ะจิตเนี่ยสวดมนต์จนถึงสว่างเลยแล้วพอสว่างเสร็จแล้วเขาก็ยังสวดต่ออีกเพราะว่าจิตมันเป็นผู้วิสัยเสียแล้วบางทีจิตมันเป็นหนึ่งเดียวครับสวดมนต์ครับสวดมนต์เป็นเดียวกับจิตแล้วไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ไม่ต้องคิดจะตั้งใจสวดอีกพิพิโสมันสวดไป่เลิกจะให้มันหยุดมันไม่หยุดแต่ที่จริงมันกลายเป็นมันกลับด้านกันตอนแรต้องตั้งใจสวด แต่ไม่ไม่ไม่ยอมเป็นวางบอกว่าพอเป็นวางปุ๊บจบจิตสีบีโสภกวาสลักาโตเป็นสัตว์เลีโนโ่เสร็จแล้วสัวกวาติแล้วตัวเองเพราว่าเป็นวางอยจอเะเกิดวันเดชเลยมันจิตมันสวดมวนต์เองนะตอนนี้ไม่ยอมเลิกกลางจะทําไงให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดมันเลยพยายามคําสวดมนต์เ น, นี่ยมันติดอยูกับจิตจิตเป็นคำหนึ่งเดียวกับคำสวดมนต์มันไม่หลุดจากการนั่นเหมือนกับว่าเวลาเราเดินไปในน้ําท่วมเนี่ยน้ำที่มันขังแล้วมีปีงอยู่เนี่ย พอเราเคลื่อนไหวไปเดินไปเดิ น, ดนมาปีงมันเกาะไม่ทันพอเราหยุดปุ๊บปีงมันก็เกาะดูดเลือดที่ขาเราได้ปีงตัวยืดๆเนี่ยปีงมันป่ามันมาเกาะที่ข้าเราเนี่ยพอปีงมาดูดเลือดได้แล้วน่ยเราพยายามสะบัดขายัางไงหลุดไหมไม่หลุดหรอกปีงมาดูดเลือดได้แล้วเนี่ยมันจะยอมสะบัดขาแรงๆยังไ ง, งมันก็ไม่ยอมไม่ยอมหลุด น, นั่นแหละเหมือนกันเนะ่ยจิตที่บริการผู้โทรผูโทรผูโทรผูโธหรือว่าส่วมบริาที่มีตัวประวาเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกับ พุทโแล้วเหมือนกับผู้บริการพทโธหรือว่าคขับิดมอญเป็นสิ่งเสแล้วมันติดจิตเสรแล้วเนี่ยดูดจิตติดแล้วมันสิ่งดูดเลือดอ่ะติดเสแล้วพยายามจะเลิกมันก็ไม่เลิกพยายามจะหลับนีมันไปก็ไม่ไปมันติดจะไปไมได้เดียวเดียวการจะหลับก็ไม่หลับจะทํางานมันก็ดปวดอยู่นั่นแหละบริกรรมอยู่นั่นแหละเหมือนคนบริกรรมติดจินี่ะแล้วก็โวยวายโวยวายเรบอกว่าน้องไม่หลับมากี่วันแล้ว <gypt> ล่ะเขาบอกว่าน้องไม่หลับมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเราบอกว่าโอ้ยทุกคนน้องไม่หลับจริงจริอ่ะ เป cues, so, guard, so, ve, the says, guard, guard, ็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยมันต้องแย่นะ้แล้วทํางานได้ไหมล่ะเขาบอกทํางานได้ตามปกติทํางานได้ตามปกตินะแต่เขาบอกเขาไม่เคยหลับเลยระบบไม่จริงงานทางานไม่เคยเบอรเลยนะไม่เคยเบอร์ทำงานไม่เบอรเลยทํางานได้ตามปกติระบบไม่จริงแบบนี้การมันหลับแต่จิตข้างในเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่หลับผู้รู้สึตัวเนี่ยมันไม่หลับมันไม่หลับเลยจิตผู้รู้กับไอ้จิตที่บริกรรมเนี่ยจิตที่บริกรรมก็บริกรรมไป ไอ้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ผู้รู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่หลับมันก็รู้กันคู่ไปกับไอ้จิตบริกรรมมันเลยรู้ผู่กันไปแล้นี้มันก็เลยไม่หลับเพราะไอ้ผู้รู้มันไม่หลับไงผู้รู้เป็นภาตุรู้พุทธะมันเลยไม่หลับพก็ธรรมชาติมันไม่หลับอยู่แล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีพล่างธรรมชาติมันไม่หลับแหละแต่เราในอยากจะหลับแต่จิตผู้รู้มันไม่หลับทํางานที่เป็นความคิดก็ได้เลยครับเนื้อมันก็พลิบโทรไปไปแล้วก็คิดทำโน้นทํานี้อย่างนี้ไปทั้งวันแต่จิตมันก็บริกรรมไม่หยุดทุกโทรไม่หยุด เราทางานาคิดได้เ อ, อทํางานได้ทํางานทั้งวันเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกาศข้อหนาสารสมไมทํางานใช้ควาคิดไปได้ท่านผู้สาศข้อหนาสารท่านนอนนอนไม่หลับมาต้องตั้งหลายวันแต่ท่านก็ทํางานท่านได้ตามปกติเราก็บอกโอ้ยทำงานได้อย่างนี้มันหลับแสดงว่ามันหลับร่างกายมันหลับระบบทํางานผิดพลาดอะไรไหมไ ม, ไม่ไม่ผิดพลาดทางานในตามปกติครับขณะที่ทํางานอยู่เนี่ยก็จิตก็ไอตัวพิภูก็ยังอยู่ใช่อยู่คู้กับตลอดอะ ไมห่หยุดเลยมันบอกมไมห่หยุดเลยไม่เป็นวักเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้สติหรือผู้รู้เนี่ยมันมารวมเป็นหนึ่งเดียวปฏิบปิปการพุโทโธมันไปรวมวึกเป็นหนึ่งเดียวมันเหลือแต่ความสว่างเจิดจ้าข้างในอะ่ะค่ะบริกรรมก็หายไปเหลือแต่ความสว่างเจิดจ้าเกิดปิติโอ้โหเหมือนกับร่างกายมันห่อเ อ, อืเดินอากาศได้ น้ำตาไหลทราบตายมันหูยสะทานอย่างรุนแรงจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเหลือแต่ความสว่างสวัยให้คนลุกขีติทราบตราบไปด้วะหว่างสวัยเทำไมมันมีความสุขอย่างนี้มันมีความสุขอย่างนี้ชีวิตเลยชีวิตได้เคยมีความสุขแบบนี้เลยมันมีความสุขที่สุดเลยมีความสุขที่สุดจิตเอ้ีมันที่ตกกังวลที่มันปรุงแต่งปรุงสร้างที่มันวิตกวิจารณ์มันดับไปหมดเลยเหลือจิตเป็นหนึ่งเลยจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับ อวมบริกรรมจิตเป็นหนึ่งใ น, นความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปหนึหรือแต่ความสว่างสวัยข้าไหนเราไปกลัวตายไปกัวงวลทั้งหัดก็เลยจิตไม่รวมจิตไม่รวมเป็นหนึ่งเราถามอะไรครับนะเอาถามแล้วเอาจะถามอะไรถามเอาถามได้เต็มที่จะถามอะไรเราพักก่แล้ว จะถามอะไร <S <S ไม่ต้องไม่ต้องอ้ออิอยในใจนะกาาลัวว่าอ่ามันจะไอคนนั้นเราถารคิ่เธอจังอย่าไปกลัวเราจะคาถามเราจะคิดเธอทุวคนจะวะล อ, อกเอาไม่ต้องไปกลัวว่าเรามถามๆเลยเอามาพักมาแล้วต้องห่วงเหร อ, าอามาถามมาลุกเนี่ยจะถา ม, มเหอนได้ไหม แ้วคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ายังมีตัวตึกอยู่ข้างในจกจะถามว่าตอนนี้มันหมดแล้วยังอืบปัจจุบันนะปัจจุบันปัจจุบันเป็นยังไงเราเราปฏิบัติเราฟังแล้วปฏิบัติเป็นยังไงนะปัจจุบันอดีตจะไปเอาอดีตเป็นทำเมาปัจจุบันปัจจุบันนี่มันก็แล้วกันมันก็เมาสบายอย่ไม่เห็น น้าร้อนนักหนึ่ปัจจุบันเป็นไงบ้างล่ะรอนสบายไม่ยินติ ด, ด, ด, ดททขัดอะไรไหมสงสัยแล้วนะไหมฟังที่โยมเนี่ยเขาถามเนี่ยเข้าใจไหมันคล้ายๆกัน่ะฮะมาไม่ทันเหรออ้าวเราอธ่บายไปทำสิเนี่ยมีบยใบกรอบฝอยแห้งแเดี๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทปเดี๋ยวเปิดเทปอ่านเทปไปเดี๋ยวเปิดเทปเลยฟังตั้งใจฟังกดีนะ เอเราอธิบายไปแล้วมันเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยเอออธิบายแล้วเดี๋ยวฟังให้ดีเดี๋ยวให้เปิดเทปเลยครับดีแล้วล่ะมันสว่างสวัยดีมากเลยใช่ได้แต่มันไปติดติดที่ล้นค้นหาติดติดอยากดีเหมือนกันเลยเหมือนกันติดอยากดีอยากจะให้มันดีไว้ตลอดไอที่ไม่ดีไม่เอาคล้ยๆกอ่ะงาไปถาม ไม่ถามเหอไม่ถามปฏิบัติพุทโธอือมันนี่มานี่มาเนี้ ม, นน ม, นนมันีเป็นคำพูดให้หลดตาวฝังเพราะปฏิบัติพุทโธเนี่ยเนี่ยแล้วมีอยู่เที่ยวหนึ่งก็พุทโธพุทโธเนี่ยละแล้วอีก ทีนี้ปากมันหยุดพูดโทแล้วแล้วจิตมันไม่หยุดจิตมันพูดโทพูดโทอยู่ก็เห็นว่าอ้าวปากไม่ได้พูดแล้วทําไมทําไมพูดโทอยู่ไม่หยุดเลยเป็นแบบที่ฟังฟังของโยมเนี่ยพี่เขาบริกรรมมาถามเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยนะอย่าทิ้งนะะอย่าทิ้งคาบริกรรมนะะอย่าทิ้งของโยมอย่าทิ้งนะค่ะมันยังขึ้นขลงลอยู่เนี่ยของโยมยังเหมือนตอนเนี้ย เหมือนกับขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันทิ้งคำบริกรรมเอ่าจิตมันเป็ทิ้งคำบริกรรม้วมันก็เลยว่ะทำที่มันปรากฏแก่ใจเราเนี่ยมันเลยขึ้นๆลงๆขึ้นลงๆไม่ใช่ว่าขึ้นลงแบบว่าที่เป็นอาการของใจถ้าเป็นอาการของใจเนี่ยที่เรายังติดดีป่าธนาที่จะจะผักสายที่เราผักสายอาการที่ไม่ดีคือนั่นถือว่าจิตมันสว่างสวัยมีความดีขึ้นไปเรื่อยสว่างสวัยเจริญจ้าญไปเรื่อยแต่มันติดอยู่ในเหมือนลูกโป่งแก้ว ดิ้นรนหาทางผักออกไม่ออกหาทางประตูออกไม่ออกเพราะว่ า, วามันเหมือนติดอยู่ในอะไรที่เป็นมายามัมนเหมือนติดอยู่ในความใสที่มองไม่เห็นแล้วก็ดิ้นรนค้นหาไม่เจอคือปรารถนาความสุขความ้นทุกข์ปรารถนาความ้นทุกข์แต่หาไม่เจออย่างเงี้ย <c oughs> คือมันไปเกลียดทุกข์รักสุกดีรักเครื่องช้ำซะแต่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยจิตมันเนี่ยคือมันเป็นภูมิจิตภูมิทำเลยมันขึ้นขึ้นลงล ง, ลงมันตกเองเองคือมันถึงคำบริการบพุโทโธเลยคเนี่ย <c oughs> <c oughs> อาการไอ้ภูมิจิตภูมิธรรมเนี่ยมันเสื่องขึ้นแล้วก็เสือ่อมภูมิจิตภูมิธรรมมันขึ้นแล้วก็เสื่อมอันนี้ไม่ใช่ว่าไปไปไปดีรักเจ้าจังเกียตทุกข์แล้วสุดที่ปฏิบัติไปดีรักเจ้าจังเกียรตทุกข์แล้วสุดนั่นคือไม่ทิ้งการปฏิบัติจิตมันแน่วแน่คิดมันก็สว่างสวัยไปเรื่อยคือไปเรื่อยสว่างสวัสวยเจลียจ้ากไปเรื่อยแต่มันหาทางออกไม่เจอคือหาทางออกจากทุกหาทางหาพ้นทุกเนี่ยมันหาไม่เจอมันติดอยู่ในมา ย, ยาติดอยู่ในกระจกใส หรือที่เป็นไงไอ้ลูกโป่งแก้วแต่ของเราเนี่ยมันทิ้งกับบริกรรมมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วมันมีความทุกข์จริงๆนะ <cle an> แต่แล้วก็ไปทุกข์กับลูกกับหลานแล้วก็พอทิ้งกับบริกรรมก็ไปทุกข์ให้มันบริกรรมติดจิตไว้เดี๋ยวมันก็หลุดไปทุกข์กับลูกกับหลานทุกข์เรื่องนั้นเรามีทุกข์อดีตทุกข์อนาคตจนเสด็จไปก็ทุกข์กับหลาน <c oughs> มันจิตมันเลยดำคั้มลงมันไม่ใช่สว่างสวัยมันเลยดำคั้มลงมันดาวลงแต่เดี๋ยวก็ขึ้นบริกรรม้วก็ดคค้ําลงอันนเีือมัน อันนี้มันมันมั น, มน ท, ทิ้งคำบริกรรมอย่าไปทิ้งนะไปทิ้งปุ๊มันไปกิดอยู่กับลูกหลานไปห่วงยายไปกังวลจิตมันก็เลยดำคั่งพอเราบริกรรบริกรรมันก็สว่างไสวขึ้นมานะต่อไปนี้จะบริกรรมตลอดเออสาวพุธอย่าให้ใจมันหลุดไปหาหลานนะ <c oughs> เราเลี้ยงหลานนะแต่อย่าให้ใจไปหลุดไปหาหลานนะ <c oughs> เออเออสาวุ <c oughs> เหมือนกับที่บายโยงกับฟังเมื่อกี้่อยอย่าไปกลัวว่าจะนอนไม่หลับนะทําอะไรก็บริกรรมไปอะเข้าของน้ำของเครื่อดื่กินเดินดน้ำไปไหนมาไหนทํำตัวทาไร่บริกรรมไปเรื่อยนะรถน้ำต้นไม้บริการไปเรื่อยจะทิ้งเดียวให้บริกรรมไปด้วยความรู้สึกตัวบริกรรไปด้วยความรู้สึกตัวตลอดนะอย่าบริการมแต่ปากถ้าจิบมันแนว่วแน่ อ๋ออะไรมาถามมาขออนุญาตส่คะคือเวลาเรากดน้ําทําบุญเนี้ยให้พ่อแม่อย่างเงี้ยไม่ทราบมาจะได้หรือเปล่าเพราะเราปฏิบัติทหรือว่าเราใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําบุญกดน้ําปุที่ให้พ่อแม่อย่างเงี้ยจะได้ไหมคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเราเร า, เราเป็นคนแผ่เมตตาเรามีน้ําใจให้แก่พ่อแม่ที่ตายไปแล้วลงลาบไปแล้วแล้วก็ เราก็ถืโอกาสแผ่ให้กจ้ากรรมในเวศทรปัจจุบัทั้งหลายด้วยเรามีน้ำใจต่อผู้อื่นนะไอ้การที่เราปฏิบัติแล้วเราแผ่เม็ดหรือการเราแผ่เมตตา ท, ทุกวันทุกวันวันละหลายครั้งเนี้ย<อ>มันเป็นใจเป็นบุญนะเป็นผู้ให้ใจจะมีแต่ความสุขอันเนี้ยเราได้ก่อนแล้วเต็มเตมเลยแต่คนอื่นจะได้รับหรือไม่รับจะไปกงังวลแล้วส่วนมากก็จะบอกว่าให้ตั้งใจเบื้องบนสูงสุดลงมาจนถึงเรื่องล่างตัำตุดไม่ทาบวท่านจะได้ตรือเปล่าคื<ด>อเราแล้วมันจะเกังวลกังวลไปแล้วไปคิดว่าคงได้ไปเถอะ ส่วนน้าลจะกดน้ำอะไรอย่างที่ถามเวลาแล้วเวลาเรากดน้ำเนี่จะบอกว่าขอฝากแม่เทารีช่วยนําผลบุญเนะี่ยส่งไปแทนตัวลูกเพราะว่าลูกไม่สามารถส่งไปได้แล้วก็จะให้ตั้งแต่เบื้องบนสูงสุดออกมาจถึงเ้องล่าง ส, งสั่งเสร็ทุกท่านทุกอง ท, ทุกตัวทุกต้นอย่างเงี้ยแล้วตัวตัวเองก็บางท่างก็จะอัวเองคือจะให้คนเห็นทั้งหมดก่อนปฏิบัติก็ดีแล้วปฏิบัติก็ได้ดีนะ แต่ต้องรู้ททันเวลาใจมันเพลินใจอยู่กับอะไรมันมันมันคอยจะเพลินเออเออคปฏิบัติก็ดีนะน้าเอลี่เนี่ยคิดว่าจะจับจิตเนี่ยบอกเอาอีกแล้วหรือไปเลยเออว่ปอดเพลินมันจะมันจะเพลิาเห็นหูได้ยินใช่ใจะมูดได้กลิ่นลิ้มลิร่กายสอมผาดเสียดสีใจคิดอะไรไปเพลินไปอัน้ต้องตัดให้ขาดนะบางทีมันก็เผลินที่ต้องไม่เพลินก็เหมือนขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาพุิธพาเนี่ยขึ้นขึอไรย่างเงี้ย มาเปเพลินส<ช>ิจ้แหละพระพุทธเจ้าใ้คำว่านันทีไอ้นันทีเนี่ยอืนันทีราคาตะหกตาเนี่ยตัตร ต, ตราจัตตรา พ, พินังกินีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ในคําสวดเน่ยในคำวจกรรมลัทธิูตร์ไอ้นันทีเนี่ยอืมมันก่อให้เกิดกิเลสตัณหาทําให้ปลูกใจติดติดปันตีนนเยื่อใยเกาะเกี่ยวบัวพันนันทีเนี่ยความเพลินใจเนี่ยพอปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติพอเมื่อไรที่เราปล่อยสติให้ขาน ความรู้สึกตัวให้ขาดอยู่กับปจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจให้มันใจมันรู้อยู่อยู่เจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากาลังกระทำเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ทําอะไรให้ใจมันเนี่ยเจดจ่อรู้อยู่สิ่งที่กํากำลังกำลังกระทำมาฟังทำก็ให้ตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่เจดจ่ออยู่ครับว่าเขาสอนอะไรให้มันเข้าใจเนี่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะให้มันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นมาทําอะไรก็ให้มันใจมันรู้อยู่สิ่งนั้น มาฟังทำอยู่ตัวมาฟังทำใจกับมาฟังทำแล้วจดจ่ออยู่การฟังทำให้มันเข้าใจ ช, ชัดเจนแจ่มแจ้งทํางานอะไรอยู่ก็ให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรกห้ใจอยู่แต่สิ่งนั้นให้ใจมันจดจ่ออยู่กับงานที่ทําให้มันรู้เข้าใจในสิ่งนั้นใย่างแจ่มแจ้งเราพูดเราคิดอะไรก็ให้มันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราคิดอยู่มันคิดยังคิดไม่ออกเราก็มีความสงบใจคิดมันด้วยความสงบใจในเรื่องเดียว ป, ปัญหาเรื่องเดียวเนี่ยเรายังหาทางแก้ไม่ได้ก็ อ่าทำเหมือนกับี่คิวซังอ่ะเคยดูหนังอคิวซังหรือกระตุ้นี้คิวซังอ่ะเออสงบใจใช้หมองเช็ดมองติ๊กตอกติ๊ตอกติ๊กตอป๊อก๊ออนที่มันอาแรอันนี้เราจิ้มน้ำลายแล้วมันแต้มอยู่หัวเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอคิวซังเนี่ยตอกติ๊ตอกติ๊กตอกติ๊ตอกช็ดมองเช่หมองคือสงบใจใช็หมองทิ่จับจ่ออยู่เรื่องเดียวเรื่องที่ตัวเองอ่ะไม่เข้าใจในเร่องนั้นหรือมันมันมไมันมันไม่ผ่านเรื่องะไรก็ ปัญหาบางทีมันมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเราก็ติ well. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอย่าปล่อยพอติ๊กตอกแล้วเนี่ยจิดมันมีความสงบใจจดจ่ออยู่ในเรื่องเดียวที่กำลังคิดจะปล่อยพุ่งพลาดเรื่องโน้เดี๋ยวคิดเรื่องโน้เดี๋ยวคิดเรื่องนี้กมาอีกมันมันไม่มีกำลังมันกี่วันกี่คืนก็มีความสงบใจเนี่ยกระติดจดจ่อจดจอกัะติดให้มันเน่ยให้มันดังรู้เห็นเข้าใจมีความตื่นตัวตื่นรู้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดอยู่คิดอยู่เรื่องเดียวจดจออยู่ในไหนกาหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่ตัวเอะ ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นหรือต้องการจะรู้ปัญหาเรื่องนั้นให้ชัดเจนโดยใช้ความสงบใจเป็นหลักเอาความสงบใจเป็นฐานแล้วประเชษปัญญาสติปัญญาเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับจิตจดจอ่จอจดจ่อกับติดจิ ต, ตในเรื่องเดียวเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาอยู่กันเน่ยขาใจอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมใจเรามีความสงบเร่มเย็นแล้วมีสติปัญญากับติตจดจอ่จอจดจอ่อกับติดจอยู่เลย ในเรื่องเดียวที่กําลังเกิดจออยู่นั้นเนี่ยไม่พลาดเปคิดเพอคิดอะไรนั้นเป็นเพลินใจไปกับตาหูจมูกดิ้นกายใจเปิดเพลินเจริญใจไปถ้เรากลับสิ้นเดจอมเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไปเนี่ยมันจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นปิ้งหลุดไปปิ้งหลุดไปปิ้งหลุดไปทีละเรื่องจนกระทั่งหลุดไปจนหมดไอตัวเผอมันค่อยจะมาอยู่เลยไอตัวเผลอมันก็เนี่ตัวเนียไอตัวสำคัญมากตัวเนี่ยมันเป็นลัมพีลัมพีราคะเนี่ยมันเป็นลันพีราคะระหักกตาตัดตละตัดตลาพในนั้นนี เลยยาพิการเนี่ยกามาตัณหาเพาว่าตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยมันเลยเป็นตัณหาคอยเกิดตัณหามันเลยไม่คนทุกนะตอนที่เราเนี่ยมีสติสับปัญญาอยู่เนี่ยตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่อยู่สิ่งนั้นรับทําอะไรก็จับจิตจดจ่อจดจ่อจับติตอยู่เป็นเรื่องๆให้มัน่ะชัดเจนแจ่มแจ้งปัญหาโลกปัญหาธรรมปัญหาที่เราไม่เข้าใจในจิตใจเราเนี่ยจับติตจดจ่ออย่างเงี้ยคิดอยู่ทางที่หมอแค่หมอต้องไอ้จับติตจดจ่อมาได้พื้นฐานที่ใจที่สงบลมเย็นนะ ไม่เล่าร้อนไม่กังวลไม่วิตกกังวลอะไรแล้วก็กับติดกระตกว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงนาะปัญหานี้จะแก้ยังไงนาะปัญหานี้แก้ยังไงน้ะติดต่อติดต่อติดต่อติดต่อในใจที่สงบเดี๋ยวก็ปิ้งขึ้นมาบางทีมแค่เวลาหนึ่งวันต้องวันสามวันสี่วันห้าวันบางทีก็แค่เวลาอยู่ก็หลายวันแล้วก็ปิ้งขึ้นมาแล้วมัหาทางออกได้เลยเราต้องอย่างนั้นแน่แต่พอมันมีสติปัญญาอยู่เนี่ย กับจิตจดจบอ จ, อ จ, อ จ, อจอบดจ่อกับสิ่งที่เรารู้เห็นแล้วเข้าใจไม่แต่ในธรรมในใจเราก็พอฟังมาแล้วเราไม่เข้าใจท่าไม่ทะลุเรื่องนี้ในในอาการของใจในเรื่องจิตในสติปัญญาตรงนี้เรามากับติดจดจ่ออยู่เนี้ยมันก็จะขึ้นภูเขาบนนิทราไปเรื่อยแต่พอเผลอแป๊บเดียวสติขาดเลยไปทางสิ่งที่ตายเห็นหูได้ยิเพลินยิ้เพลิ น, นอารมณ์ไปเรื่อยมันไหลตกภูเขาเลยไหลตกภูเขาวนนิทราตกแล้วก็พอมีสติมาก็ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นๆตกตกขึ้นตกก็ขึ้นๆตรงนี้มันจะไปยังไง เดีวขึ้นเดีวตกเดีวขึ้นเดีวตกมันไม่ขึ้นทางเดียวเป็นวันเว่ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปอย่างนั้นตกอีกเข้าใจไหะแต่ส่วนมากจะเดินสวงกลมเนี่ยจะมีปรสติมากกว่าถ้านั่งเนี่ยบางมันมันค่อยจะถึง <ừ> เวลาเราเดินเนี่ยเดินนี่จิตเราก็จะอยู่กับเวลาเรายกเวลาเราเหยียบเวลาเราย่างอย่างเนี้ยรู้สึกว่าจะปฏิบัติทางนี้มันจะดีกว่าใช่ไหยคะสบายดีละ เว่าเวลาเราเดินนี่มันจะดีกว่าที่เราหน่งนั่งนี่บางทีเรานั่งนั่งไปแค่จิตเราดูจิตจริงแต่มันได้ไปอีกแล้วเราก็รู้ว่ามันแวบแต่เอาอีกแล้วเหรอเราก็จะเขาก็มันอดูอย่างนี้ตลอดเราก็นั่งไม่ได้นะ <c oughs> เราเดินเป็นหลักเดินทั้งวันท <c oughs> ัน้งคืนเดินได้กี่วันกี่คืนเดินได้แต่นั่งไม่ได้นั่งไม่รู้เป็นอะไรมันดิปัญญามันปื้มันง่วงมันแน่นมันจุกมันอึดอัดมันคลุกมากเลยเรานั่งไม่ได้เราเดินอย่างเดี๋ยวชอบเดินไอ้เขินนี่มันมาแต่ว่าเดินเนี่ย ทำไมเราเดินนี่เราไม่เผลอเราจะก้าวล้วจะยกจเหยียดจะอะไรนี้เรามันคือมันจะไม่ค่อยเถลเดินล้วมันจะดีกว่ะแล้วผ้าัดยกย่องตัเสอน่าเดินเนี่ยการเดินรงกรมผูชายตัดยกย้องะเอจะเดินกับยืนเนี่ยจะีกว่านั่นดัก็ได้เรื่องละงกงวงซือเงิเออนงงมากมันจะวูมมันจะไปอุตส่าหนมีป็ญจ่าจะอ สงตาอบไคนเราได้จิตจิตคนเราไม่มีสองดวงเหรอคะเป็นไงอ่ะก็ไม่รู้มันดัเหมือนเหมือนเอากายอะไรเนี่ยมันจะมีกายที่กับกายหยาบใช่ไหมคะมใช่เปล่ามีเป็นหนึ่งนี้หรือเปล่ากายหยาบก็หมายถึงตัวเราอย่างอย่างกายที่ก็หมายถึงจิตอะไรอย่างนี้ใช่ปเปล่าคะไอ้กายหยาบเนี่ยก็คือขันห้านี่นะ คือร่างกายที่เป็นกายเนื้อเนี่ยแล้วก็เวทนาสัญญาตั้งฐานวิญญาณคือความรู้สึกและคิดอามณ์เนี่ยเนี่ยคือกายหยามกายยาบคือกายเนื้อนี่แน่ไอ้่วนืองกายกายพิษกายในเนี่ยก็คือจิตที่มันยึดกายที่มันยึดก็คือไอ้ตัวจิตจิตมันไปยึดเนี่ยไอ้จิตที่มันยึดมันจะไม่มีกายหลับไม่ได้เลยมันจะความว่างเปล่ากายไม่หนีกายกายโกลแหลงก็ไมนี้เอ้ไอ้กายโกลแสงกายในก็คือว่าเรามีกายเนื้อ แล้วก็มีกิจที่ไปยึดนั่นยึดนี่มมันก็เลยเนสร้างภุมิแต่งไว้เป็นกายกายโผงแต่งกายหนึ่งซ้อนกันอื ม, อมเวลาพอเราตายแล้วเนี่ยเรายังไม่สิ้นยึดมันก็ตายแต่กายอยากคือกายเนื้อแล้วก็ความรู้สึกชั่งชีอารมณ์ที่เป็นเวทนาสัญญาต่างวิญญาณหือเรียกว่ารูปประคันกับ น, นามประคันมันดับแต่กายกายกายทิพเนี่ยกายทิพหรือกายโผงแต่งมันไม่ดับือกิจที่มันยึดเนี่ยมันไม่ดับความยึดยมันยังไม่หมดมันก็เลยสร้างเป็นในกายโผงแงไว้ ว่าเราเนี่ยมีรูปล่างเป็นยังไงเราจำรูปล่างเราได้ไหมแล้วก็เราไปยึดตัวเราแล้วตัวเราไปยึดคนอื่นยึดสิ่งอื่นมันก็เลยสร้างรูปล่างเหมือนตัวเราเนี่ยซ้อนอีกตัวหนึ่งในตัวเราเพราะเรากายตายกายหยาบตายกายโต่แรงมันก็เลยเหลืออยู่เพราะว่ายังไม่สิ้นยึดยังไม่สิ้นความรักความชังไม่สิ้นการยึดมั่นหรือมั่นการเกาะเกี่ยวผัวพันตั้งคนอื่นตั้งเกาะเกี่ยวผัวพเป็นห่วงเป็นใหญ่ยึดถือร่างกายเราว่าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวส่วนของเราพอเราไม่สิ้นยึดปุ๊บมันก็ ตายจากกายหยาบคือกายเนื้อร่างกายที่เน่าไปฟผความสลายไปเราไปเห็นเนี่ยเราจะไปเผามาหลายศพแล้วแล้วก็ไอ้ร่างกายที่มันเน่าเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่เป็นหรอกไปเตะไปตีมันไม่ร้องก็ปวยนั่นมันก็เหมือนท่อนไม้อะตายก็เหมือนท่อนไม้แต่ตัวในที่มันมันไปมันไปตายตัวกายผงแสงเนี่ยมันไม่ตายไอ้ตัวยึดไว้อะก็ตายไอ้กายหยาบตายปุ๊บไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นนามขันดับปุ๊บไอ้ตัวกายปผงแสงเนี่ยมันไปหายทิ้งที่เรายึดเลย มันไปหาสิ่งที่เรายึดไปเกาะเกี่ยวถึ่งเรายึดนี่มันยึดไว้พอมาในงานศพตัวเองก็มานั่งร้องไห้ลูกหลานเขามาในงานศพตัวเองสามีภรรยาเขามาในงานศพตัวเองกันนตัวเองก็มานั่งร้องไห้เขากอะเกี่ยวกอดกอดเขาแต่นี้ก็เห็นหรอน่าสนุกจังเวย้ยพอคนทั้งหลายไปงานศพไปแล้วกลับไปยังตะพุกแฝงสาหัส่ดึงกระต่างก็ไปด้ก็ตามเข้าไปมันก็ตามเข้าไปไปไหนก็ไปด้วยเห็นเห็นผัวก็ต้องเห็นสีเมีย เห็นเนี่ยก็เห็นผีผัวตามไปไนั่ไปกันมันเกาะเกี่ยวไปทั่วพอเข้าไปมีผัวใหม่เมียใหม่พอเสียงตายแล้วนี่โอ้โหทุกแสนสาหาัสทุกของเก่าก็ยังพอแรงและทุกไปยึดพอเข้าไปมีใหม่โอ้โหด่างอาสาหัสเลยเนี่ยเพ้าะในตัวในมันไม่หยุดเลยมันยึดไม่หยุดไอ้ตัวในเนี่ยมันยึดไม่หยุดยกก็ถ้ามันจะไปเกิดใหม่เป็นกายหยาบไอ้ความจําของเดิมประดับไปมันก็ไปจําอย่างใหม่เพราะว่าถ้าคืนไม่ดับนะ มันยุ่งว่างเลยโลกเนี่ยนี่ไปแยง่งนี่ผัวเก่าเมียเก่าตีกันตบตีกันตายนี่ผัวฉันเนี่ยฉันเมียเก่าก็ผัวเก่าตั้งแต่สมัยชาติก่อนนู้นเลยไปไปเนี่ยมาโกดี้นริปราชไปไปเอาเข้ามาเนี่ยไปสู่มเมียเขาว่าเนี่ยเมียกู่ในชาติก่อนเราเป็นนู้นเป็นนี่เคยเกิดเป็นคนนั้นคนนี้นี่เมียเรานี่ผัวเราบอกว่าเราลึกชาติได้ไปเอาเข้ามาแย่งเข้ามานีนั้ี่ก็เขามีผัวใหม่เมียใหม่อย่างนี้โลกมันจะวุ่นวายตบตีกันทั่วหมดอย่างเงี้ยมันเลึกต้องให้มันลืมไป พอเกิดใหม่แล้วก็ลืมไปแล้วแต่จัต่อไปกายปกแสงมันยังจําได้ในนั้ น, นอ่ะอนตัวกายโปแย ก, กแสงมันจําได้กระทุ้บแสงสาหัสในโลกนั้นแหละน่าพลดสองเวกมากนั้นนหะถ้าไอ้ใจไอ้ไอ้ใจของเราสิ้นยึดปุ๊บไอ้กายโปกแสงมันก็นดับเพราะไอ้ใจอ่ะที่มันยึดอะไรเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนดั่งเหมือนเนี่ยเหมือนด่งความว่างของอากาศเนี่ยของของธรรมชาติจักรวาลเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เลยว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยที่เป็นจิตเตมแต่แพ้เนี่ยที่เป็นยึดอะไรเนี่ย ดับไปเหมือนด่งไอเปลวไฟที่ชือหรือเหมือนด่งเปลีวไฟที่อยู่ต่อหน้าแล้วก็เป่าดับพุบหายไปเนี่ยมันก็ดับหายไปเลยกลายเป็นความว่างเปล่าหายไปในอากาศเพราะว่ามันทิ้การเกาะเกี่ยวแล้วมันเลยไม่มีอะไรไปเกาะยึดให้ติดไว้มันก็เลยหายไปเลยพอหายไปแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่มีเพราะมันความว่างเปล่าไปแล้วเนี่ยแต่ความจริงอะมันไม่มีทุกข์ตั้งแต่ดินสิบิจิวแล้วผมไม่ใช่ไอไอกายนายกายปุ่มแต่ไมนยึดมันยึดมีให้เป็นทุกข์คือใจนั่นแหละใจจะยึดในเป็นทุกข์มันไม่มีไงตั้งแตาย พอตายแล้วอ่ะใจมันสิ้นยึดแล้วมันก็เลยกลายเป็นความว่างเปล่าหายไปหายไปในความว่างคือหายไปในความว่างนี่โยมมาโทษโยมระบานเนี่ยเขาก็เอาไปไม่ได้จะมาจับเอาไปลงโทษก็เอาไปไม่ได้อยากได้อย่างนั้นเออมันหายไปเลยแต่คนยึดอะมันไม่หายถ้ายังยึดอยู่เนี่ยมันไม่หายไัไหนมันแตกระดับแต่กายกายนอกกายยากายเนื้อแล้วก็ความรู้สึกและที่อารมณ์ที่เป็นกายเนื้อเนี่ยมันดับไปสมองเสียปุ๊บความจำไม่ได้ไอความรู้สึกและที่อารมณ์มันก็โปรงแตกระดับไปหมดแต่ไอกายนายยังไม่ดับไอกายโกร่แสงไม่ดับ มันไปร้องไห้ในการศพตัวเองไงทุกตกเศร้าเสียใจเห็นผีผัวเห็นผัวก็เห็นผีเมียเห็นเมียก็เห็นผีผัวตามมันไปตามกันมาอย่างนี้ไทุกแสนราหัดอ่ะเนี่ยแล้วคนแล้วคนหลวงพ่อที่เราขอบขระคุณเค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะสปอนเพอร์ตายแล้วหายตัวไปเลยเห็มานนักร้องไห้ในคาศพตัวเองแล้วคนก่อตายแล้วก็าหายตัวไปเลย เนี่ยพอแม่ครูบาอาจารย์มีชวิตอยู่ก็เป็นนิการป่กแฝงข้างในเลยเพราะว่าไม่มีใครจําได้เลยว่าท่านคิดอะไรมีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรหัวใจของท่านมันว่างเป่าเป็นเดียวกับธรรมชาติจักรวาลมันไม่เกาะเกี่ยววัวพันสิ่งใดไม่มีกิเลสตัณหาอะไรท่านไม่ยึดตัวตนไม่ยึดตัวตนของท่านก็เป็นตัวเป็นตนไม่ยึดสิ่งอื่นด้วยท่านก็เลยว่างเปล่ามีแต่กายเนื้อทํางานด้วยกายเนื้อทีปีสมองมีความรู้สึกมีที่อารมณ์เป็นเป็นกายหยาบกายเนื้อทํางานของขาหน้าตามปกติ แต่ใจที่คิดข้างในท่านไม่มีแล้วท่านว่าเป่าไปหมดแล้วลรตายแล้วไอ้กายเนื้อดับาจของท่านก็ว่าเปล่าไปเลยกายเป็นแบบว่าจิตเป็นเชีตัดจิตปัญญาเน่ยมันดับหายไปเหมือนอย่างเปลวไฟที่จิ้มเชือนี่แหละเหมือนเปลวไฟที่ถูกเป่าดับพึ่งหายไปเลยกายเ็ความว่างไปยมบานทั้งหลายมาหาก็ไม่เจอยมทูตมหาก็ไม่เจอในสมัยพิจารณามีพระโคติกะเชือดคอตายเพราะท่านเป็นเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งมั่งแล้วปวดทรมานแสนสาหัสมากแล้วตอนหลังเนี่ย ตอนที่ท่านเนี่ยทางความเพียรละขันห้าละความยิดมั่นถือมั่นว่าเห็นว่าขันห้าร่างกายเนี่ยความรู้สึกนกคิดอารมณ์ที่เป็นขันห้าเนี่ยที่เป็นร่างกายและเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นฝ่ายจิตปุงแต่งเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงแค่สิ่งปุงแต่งในชาตินี้เรามัดับหายไปสิ้นความมิตมั่นถือมั่นถ้าขณะที่เจือกคอตายท่านก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็บรรลุอรหันต์ไปล่อยวาง ปล่อยวางผู้หลงยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นหรือมั่นนะปล่อยวางความยึดมั่นหือมั่นหรือปล่อยวางตัวตนของผู้ยึดมั่นหือมั่นเห็นว่าเราไม่อยู่ตัวตนตัวตนของเราไม่มีมีแต่สังขารกายปรุงแต่งเรียกว่ากายสังขาร vitamins. คือมีแต่การปรุงแต่งร่างกายไว้แล้วก็พอร่างกายจะตายแตกดับแล้วตอนนี้แล้วก็กิตสังขารคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ซึ่งเป็นเวทนาสัญญ า, ส, าสังขารวิญญาณฝายนามขันก็จะกลังจะดับแล้วเพราะสั้นเชียดขอตายพอร่างกายก็จะแตกดับแล้วนามขันก็จะแตกดับแล้ว ตัวตนของเราก็ไม่มีจึงไม่มีตัวตนของเราที่จะไปยึดมั่นถือบ้านอะไรเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยร่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นร่างกายเนี่ยที่เป็นกายร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราตัวเราไม่มีอยู่ในขันห้านี้และขันห้านี้ยก็ไม่ใช่ตัวตนของเราท่านเห็นว่าตัวท่านไม่มีตัวตนตัวตนไม่มีมันก็เลยสิ้นผููที่จะไปยึดบั่นถือมั่นสิ่งใดไม่มีว่าไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ไปยึดบ้านถือม้านสิ่งใดคือสิ้นตัวเราเพราะมีตัวเราจะไปยึดใด มันติดไปจัดใจพอท่านเสียคอตายแล้วพวกโยมมาทู่เนี่ยโรงยบาบาเนี่ยก็มารอัมากร อ, ออยู่ก่อนแล้วพอพอคนที่กระเสียคอตายเสร็จเอ้าจะเอาวิญญาณไปลงโทษพราพวกฆ่าตัวตายนี่มันก็ต้องได้รับบาปกรรมเก่าด้วยที่ทําไว้ที่ยังใช้นี้ไม่หมดนี่ฆ่าตัวตายหนีไปแล้วต้องไปรับกรรมใหม่อีก็เกิดมาต้องฆ่าตัวตายฆ่าร้อยชาติจะต้ อ, อไปลงโทษเอา้าฮา จตหรือวิญญาณเนี่ยของพระโคดิกะไม่เจอจะหาไปลงโทษอา้าหายไปไหนแล้วหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยไปถามพุทธเจ้าวะท า, าไมหาเอย่ามาทู่หรืออย่ามาหาก็ไม่เจอเลยไปถามบุทธเจ้าว่ะอ้าสจิตวิญญาณของพระโคดิกาหายไปไหนหาไม่เจอจะไปลงโทษซะหน่อยฆ่าตัวตายอยู่ตั้งนับตัวตายจนจัดเละบุตรเจ้าตรัสว่าพระโคติกาบรรลุอลหรหันต์แล้ว ในขนาดที่เที่ยงอตายจิตวิญญาณดับไปเหมือนดับเปลวไฟที่สิ้นเชื้อนี้หายไปแล้วเหมือนกับเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าแล้วถูกเป่ดับพึ่งหายไปหายไปสู่ความว่างไม่มีตัวตนเหลืออยู่ในโลกนี้ในจักรวาลคือกายโป่งแสงก็ดับไปด้วยเลยสุดท้ายไม่มีใครเอาไปได้ผู้เจ้าอาวานเนี่ยพอสิ้นจิตวิญญาณแล้วก็ดับไปผู้ทสิ้นจิตวิสิทธิ์มาแล้วก็เป็นอาลัยทั้งหมดแล้วผู้หญิงผู้ชายวัยเด็กพอสิ้นความยิดมากถือม่นแล้วสิ้นความรักความจำ สิ้นความมีวามีตัวมีตนเปเกาะเกีย่ยวบัวพันตัวเองแล้วเกาะเกี่ยวบัวพันสิ้นใจแล้วพอตายแล้วมันก็เลยกลายปร่งแสงก็ไม่มีจับกนดวางเปล่าการเป็นความว่างเป่าจมบาลหรือยมทูตก็หาไม่เจอเรากลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วการหายไปเป็นหายตัวไปเลยคือเป็นความาาว่างเห็นไหมเดี๋ยวก็จะมาสวดมดนต์ก็มาเคลื่อนแล้ว อัลลัฮฺตัมมาตัมุตโตตัมตวาตุสันตัมะวนัอัิวิโสาสมวตโมมนสุสัิปันโนาโวโตาวะะสังโฆ าาาสาธุสาธุอนรรมมุโมทนากับทุกคนนะ